นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสปรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์งเองพระองค์งนั้นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องเนื้อแท้ที่ไม่อันตรทาน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 ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจะไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเา่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญ ต, ตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำอย่างนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็จะทาให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ภิสุทั้งหลายภิสษุบริษัทนี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการ ช, ชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแล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 ผู้นั้นจะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ลุมทรัพย์ล่ะควรครบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยเรื่อง ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เองภิกษุทั้งหลายสมมุติว่าพื้นแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมทั่วถึงเป็นอันเดียวกันหมดมีบุรุษผู้หนึ่งทิ้งแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกก็พัดให้ลอยไปทางตะวันตก ลมตะวันตกก็พัดให้ลอยไปทางตะวันออกลมเหนือก็พัดให้มันลอยไปทางใต้ลมใต้ก็พัดให้มันลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ํานั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยปีร้อยปีมันจะปุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอีกษ์สุดท้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่ายอย่างไรจะเป็นไปได้หรือหนอที่เต่าตาบอด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 จะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตผู้อาราันตะสัมมาสัมพุทธะจะบังเกิดขึ้นในโลกและยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกพิสุทั้งหลายแต่ว่าบัด น, นี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อารันตะสัมมาสัมพุทธะ ก็บังเกิดขึ้นแล้วในโลกและธรรมวินัยอันตาคตรประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายเบสนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงกระทำความเพียรอันเป็นเครื่องให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด เรื่องพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสี่ภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตรัสรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสอย่าง ปิจุทั้งหลายพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆจะได้ตรัสรู้ตามที่เป็นจริงต่อในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้ตรัสรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐ4อย่างปิษุทั้งหลายแม้พระอรันตะสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ตามเป็นจริงอยู่ในการบัดนี้ก็ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐ4อย่าง ความจริง ans, อันประเสริฐสี่อย่างเหล่านหนเหล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลายประเหต์ใ น, ใ น, rain, ในเรื่องนี้พวกเธอพึงทาความเพียรเพื่อรู้ตามที่เป็นจริงว่า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 คือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้แหละเป็นความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายเพราะได้ตรัสรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสอย่างเหล่านี้ทศกัฐจึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่าอารหันตะสัมมาสัมพุทธะ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 ภิกษุตั้งหลายพวกเธอเอนดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาตย์ก็ตามญาตาิาหรือสายโลหิตก็ตามจนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสอย่างด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงความจริงอันประเสริฐสอย่าง <Es> <an> คือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เรื่องระยะสัตย์สีโดยสังเขปทรงแสดงด้วยความยึดถือในขันธ์ทั้งห้า ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมี4อย่างเหล่านี้4อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกสุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นทั้ง5 หอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและบิญญาณอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ภิกสุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกาหนัดเพราะอำนาจแห่งความเปลิน มักทำให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นพิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์พิสุททั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้น ความสละลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวางความไม่อะไรถึงซึ่งตัณหานั่นเองนี้ใดนี้เรากล่าวว่าคือความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์พิกุตตุลายความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐ ซึ่งประกอบด้วยองค์8ประการนั่นเองได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำรีชอบการพูดจาชอบการงานชอบการลิงชีวิตชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งใจมันชอบภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าคือความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละคือความจริงอันประเสริฐ4อย่าง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 พิสทั้งหลายบุคคล3มจำพวกนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรเล่าคือ 1. คนตาบอดสองคนมีตาข้างเดียว 3. คนมีตาสองข้างพิสูจน์ทั้งหลายคนตาบอดนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่อย่างไม่ได้ หรือทาโกพกซับที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษไม่มีโทษทำเลวทำประณีตทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งนี่แหละเรียกว่าคนตาบอดทั้งสองข้างภิกษุตองหลายคนมีตาข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่า คือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โพกรัพที่อยางไม่ได้หรือทำโพกรัพที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งแต่ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลอกุศลทรมีโทษไม่มีโทษทาเลวทาประนีตทาฝ่ายดำและทาฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งนีแหละเรียกว่าคนมีตาข้างเดียว ชีวต่งหลายคนมีตาสองข้างเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้โกพกซับที่ยังไม่ได้หรือทำโกพกซับที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและมีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำประณีตทำฝ่ายดําและทำฝ่ายขาว นี่อีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าคนมีตาสองข้างปิกสุดทั้งหลายผู้มีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกนี้คือความดับไม่เหลือของทุกและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกดังนี้นี่แหละเรียกว่า เธอผู้มีตาสมบูรณ์เรื่องการสนทนากับพระอ น, นุนเรื่องกัลยาณมิตรมหาราชะครั้งหนึ่งตถาคตพักอยู่ที่นิกมแห่งพวกสักยะชื่อว่านาครกะในแคว้นสักกะในครั้งนั้นแหลภิกษุอา น, นุ์ได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งลงนะที่คนแห่งหนึ่ง มาราชะิกษุอานนท์ได้กล่าวคำนี้กับตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมีมิตรดีความ ม, ดดวามีสายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าข่าดังนี้มาราชะเมื่อพิกษุอานนท์ได้กล่าวอย่างนี้แล้วตถาคตได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่าอานนท์เธออยากล่าวอย่างนั้นเลยอานนท์ ข้อนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวคือความมีมิตร ด, ดีความมีสายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีอานนท์พรหมจรรย์ทั้งสิ้นนั้นเป็นสิ่งที่ภิกษุผู้มีมิตรดีปึงหวังได้เมื่อเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีเธอนั้นจักทำอริยมรรคมีองค์แปดให้เจริญได้ จะกระทําให้มากซึ่งอริยมัติมีองค์แปดได้ดังนี้เรื่องกัลยาณมิตรของพระองค์เองอนุนเธอผู้ชื่อว่ามีมิตรดีมีสายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทําให้มากซึ่งอริยมัติมีองค์แปดโดยอาการอย่างไรเล่าอนุนคือเธอในกรณีนี้ ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมรมตะสัมมาอาชวะสัมมาวายามะส ม, มาสติและส ม, มาสมาธิอันอาศัยความวิเวกอาศัยความจางกลายอาศัยความดับและน้อมไปเพื่อการสลัดคืนอานนท์อย่างนี้แหละที่ว่าเธอนั้นเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี ย่อมเจริญทำไม่มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดอานนท์ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยประยายอันนี้เถิดว่าพรหมจรรย์ น, นี้ทั้งหมดนั่นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสายดีมีเพื่อนดีดังนี้อานนท์จริงที่เดียวสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาได้อาศัยกะเลนมิตรของเราแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากการเกิดผู้มีความแก่ความเจ็บป่วยความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดารันได้อาศัยกแลร์มิรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจอานุน ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิดคือว่าพรหมจรรย์ น, นี้ทั้งหมดนั้นเดียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสายดีมีเพื่อนดีอย่างนี้เรื่องขยายความแห่งอริยมรตมีองค์8ภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดนี้นั่นเององค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งใจมันชอบภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือความรู้ในทุกขความรู้ในเหตุให้เกิดทุก ความรู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์และความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกอันใด น, นี้เราเรียกว่าความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิปิสุตต์งหลายความดําริชอบเป็นอย่างไรเล่าคือความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่พยาบาทและความดําริในการไม่เบียดเบียน นี่เราเรียกว่าสัมมาสังกปะภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่าคือการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แต่กันการเว้นจากการพูดคำหยาบและการเว้นจากการพูดเพอร์เชอร์นี้เราเรียกว่าการพูดจาชอบหรือสัมมาวาจาภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรเล่า คือการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบหรือสัมมารกรรมันตะตพิสูจน์ต่งหลายการเลี้ยงชีพชอบเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ละมิจฉาอาชีวะเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ นี่เรียกว่าการเลี้ยงชีพชอบหรือสัมมาชีวะภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่ยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายามปรารบความเพียรพระคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามปราลบความเพียรพระคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้บังเกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายาม ราลบความเปลี่ยนประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูรณ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบหรือสัมมาวายามะปิกิุทั้งหลายความประลึกชอบเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความระลึกชอบหรือสัมมาสติภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ เพราะสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายยอมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้และเพราะวิตกวิจาร์ระงับลงเธอจึงเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องพ่องใสแห่งใจในภายในใหสมาธิเป็นอาธรรม ให้สมาธิเป็นธรรมเอกพุทมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มิแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิและตั้งอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้และเพราะปิติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉลียอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเาทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่า เป็นผู้เฉย อ, อยู่ได้มีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วตั้งอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความหายไปแห่งสมนัสและโทมนัสในการก่อนแต่ย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์ระอุเบขาแล้วตั้งอยู่ในวิหารธรรมนี้ได้นี่แหละ เราเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบหรือสัมมาสมาธิเหล่านี้แหละคืออริยสัจคือหนทางอันเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เรื่องโลกจะไม่ว่างจากพระอารหันตุพัทธในธรรมวินัยใดไม่มีอริยมรตมีองแปดสมณะที่หนึ่งคือโสดาบัน ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นแม้สมณะที่สองคือพระสกทาคามีก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สคือพระอนาคามีก็หาไม่ได้แม้สมณะที่สคือพระอารหันต์ก็หาไม่ได้ในธรรมะวินัยนั้นสุพทธะส่วนในธรรมะวินัยนี้แหลมีอริยมรรคมีองค์8สมณะที่หนึ่งคือพระโสดาบัน ก็หาได้ในธรรมะวิ น, นัยนี้แม้สมณะที่สองคือสกทาคามีก็าหาได้แม้สมณะที่สคือพระอนาคามีก็าหาได้แม้สมณะที่สคือพระอรันก็รรนหาได้ในธรรมะวิ น, นัยนี้สุภทะถ้าภิกษุน์ทั้งหลายเหล่านี้จะพึ่งอยู่โดยชอบใจโลก ก็จะไม่ว่าจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายแลเรื่องความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุท ธ, ธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์ภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อาหารหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธะหลุดพ้นแล้วจากรูปพระความเบื่อหน่ายความคลายกำนัดความดับความไม่ยึดมั่น จึงได้ดามว่าสัมมาสัมพุทธะถึงแม้ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์ก็หลุดพ้นแล้วจากรูปเพราะความเบื่อหน่ายความคลายกำนัดความดับความระงับความไม่ยึดมั่นจึงได้นามว่าปัญญาวิมุตต์ภิกษุตั้งหลายเมื่อเป็นผู้หลุดพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและพิญญาด้วยกันทั้งสองพวกแล้ว อะไรเป็นความผิดแปกแตกต่างกันอะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเครื่องกระทาให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตเล่าภิกษุทั้งหลายตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะได้ทรมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครรู้ ให้มีคนรู้ได้ทำมัชที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมัชที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นผู้รู้มักคือมัชกะันยูเป็นผู้รู้แจ้งมักคือมัชกะวิทูเป็นผู้ฉลาดในมักคือมัชกะโกวิโตส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นผู้เดินตามมักคือมักคานุขาเป็นผู้ตามมาในภายหลัง ภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือความผิดแปกแตกต่างกันเป็นความมุกหมายที่แตกต่างกันเป็นเรื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างทถาคตผู้อรหั น, นตะสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาบิมุตตพุทธวัจนธรรมวินัยจากพุทธโอษ